วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ยี่สบดพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง8้าเป็นวันพระวันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่สาธุชนพุทธบ ร, ริษัท ผู้มีความศรัทธาความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำงานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้ก่อนที่จะจากพวกเราไป ทรงตัดไว้ในภาพปจชิโมวาดว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี่คือคำสั่งคำสอนขั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า สั่งให้พวกเราชาวพุทธมาทำประโยชน์ให้กับตนเองให้สำเร็จก่อนเมื่อทำประโยชน์ของตอนได้สำเร็จแล้วก็ไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องทำบัดนี้เพราะว่าสังขารร่างกายของพวกเราเป็นของไม่แน่นอน อยู่วันนี้อาจจะไม่อยู่ถึงวันพรุ่งนี้ก็ได้ดงนั้นตอนนี้มีชีวิตอยู่ให้ปล่อยวางภารกิจอย่างอื่นมาทำภารกิจมาทำงานอันนี้จะสำคัญยิ่งกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าการทำงานอย่างอื่นงานอย่างอื่นก็ทำไปพอเท่าที่จำเป็นคืองานเลี้ยงปากเลี้ยงทองให้ร่างกาย อยู่เป็นปกติสุขได้ก็พอแต่อย่าไปทำงานเพื่อหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆเพราะว่ามันเป็นความสุขปอมเป็นความสุขประเดียวปะดาได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปไม่ได้ให้ความอิ่มความพอไม่ได้มาช่วยดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ ให้มาทำงานเพื่อวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดีกว่าเพราะว่างานที่งานหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ถ้าหลุดแล้วก็จะหลุดเลยจะไม่มีวันที่จะกลับมาทุกข์อีกต่อไปอันนี้คืองานสองงานด้วยกันงานแรกเราต้องทำให้กับตัวเราก่อน ตอนนี้พวกเรามีความทุกข์ใจด้วยกันทุกคนส่วนใหญ่ก็จะทุกข์กับการแก่การเจ็บไข้ได้ป่วยการตายการพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเราต้องมาดับความทุกข์เหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจก่อนอมเมื่อเราสามารถดับความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจได้แล้ว เราก็ไปบอกไปสอนผู้ที่เขาสนใจต่อไปแต่ไม่สอนคนที่ก็ไม่สนใจใครไม่สนใจไม่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไปสอนคนที่เขาอยากจะรู้ว่าจะทำอย่างไรทําให้เขาไม่ต้องมาทุกข์มาวุ่นวายใจอย่างที่เขาเป็นอยู่ในขณะนี้นี่คืองานที่สอ ง, งานแรกทําให้ตนเองหลุดพ้นก่อน จากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็ทำงานที่สองต่อไป mm. ก็คือนำเอาความรู้ที่เราได้เรียนรูน้ได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงเอามาเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเขาสนใจถ้าเขาไม่สนใจก็ไม่เป็นไร mm. ก็ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขา เราไม่สามารถจะไปบังคับเขาได้ไม่สามารถบังคับให้เขามาเรียนมาปฏิบัติทำได้ถ้าเขาไม่สนใจก็ต้องปล่อยเขาไปสอนแต่คนที่สนใจคนที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ของใจนี่ก็คืองานสองงานที่เรียกว่าประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไดในโลกนี้ที่จะวิเศษที่จะเลิศที่สุดคือประโยชน์ที่เกิดจากการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นที่อยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเป็นที่มีแต่บารมีสุขไม่มีความทุกข์แม้แต่หยดเดียวอยู่ในพระนิพพานเลย พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งบาเพ็ญมาก่อนบาเพ็ญไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้วพระองค์ถึงค่อยมาคิดถึงเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไปเบื้องต้นนี้จะไม่ใ ห, ให้ไม่ให้เวลากับอย่างอื่น ให้เวลากับการทำประโยชน์ของตนก่อนทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนเมือ่อเมื่อหลุดพ้นแล้วก็จะรู้วิธีที่จะไปสอนคนอื่นได้ถ้าตนเองยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์<ๆ>ก็จะไม่รู้วิธีที่จะทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เป็นอย่างไรก็จะไม่สามารถไปสอนให้คนอื่นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ดังนั้นเราต้องมาทําประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนอันนี้ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของเหตุผลเรื่องของความจริงเมื่อเรายัางทําให้เราหายทุกข์ไม่ได้เราจะไปทําให้คนอื่นเขาหายทุกข์ได้อย่างไรเหตุเบื้องต้นนี้เราต้องทําหน้าที่ของเราก่อนทํางานของเราก่อน ยังประโยชน์ของตนก่อนให้จิตใจของตนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก่อนการที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกัน<ม>ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือศึกษาเรียกว่าปริยัต<ม>ิการศึกษาเพระทรรมคำสอนเพระประธรรมคาสอนเป็นคำสอนที่สอนวิธีดับความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปอพอได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติอะไรบ้าง เ, าเช่นการจะดับความทุกข์ในใจได้นี้เราต้องสามสามข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการทำบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจนั่นเองถ้าไม่อยากให้มีความทุกข์อยู่ในใจ ท, ที่เกิดจากการกระทาบาป เราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ไม่กระทาบาปโดยเด็ดขาดแล้วทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมาข้ทอที่สองให้ทําบุญต่างๆให้ถึงพรอ้อมคือทําบุญเพราะการทําบุญนี้จะทําให้ใจมีความสุข ม, มีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปแบ่งปันกันได้ก็แบ่งปันกันไปเช่นตอนนี้มีผู้เดือดร้อน จะอดทุกข์ก็พายไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีเครื่องใช้ไม่สอยอย่างนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีเหลือกินเหลือใช้ถ้าอยากจะมีความสุขอยากจะได้บุญอยากจะได้ไปสวรรค์ถ้ายังไปไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็ได้ไปสวรรค์ก่อนก็ให้ทําบุญกันเงินทองที่มีเก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเจ้าของ ตายไปก็เอาไปไม่ได้่างเงินทองที่เอาไปทำบุญนี้เอาไปได้คือบุญนี้เราสามารถเอาไปกับใจเราได้บุญนี้แหละเป็นผู้พาให้เราไปสวรรค์ต่อไปได้อาจารย์ถึงสอนให้เราทำบุญกันทำบุญทำทานตามโอกาสตามเวลาตามฐานะตามตามความเหมาะสม คือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำเท่าที่เรามีถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทำอย่างน้อยเราก็ต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงดูปากท้องของเราก่อนถ้ามีเหลือแล้วเก็บเอาไว้เฉยๆตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาส่วนนี้มาแลกเป็นบุญดีกว่าเปลี่ยนเป็นบุญ ด้วยการทำทานบริจาคข้าวของเงินทองต่างๆเช่นตอนนี้ต้องการเครื่องบุกอุปโภคบริโภคคนเป็นหมื่นมั้งหรือเป็นแสนก็ได้ที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้ก็ทำไปเราจะเกิดความสุขใจสบายใจแล้วจะทำให้มีกำลังที่จะทำข้อที่สาม คือชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าความทุกขนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําบาปเพียงอย่างเดียวยังเกิดจากการกระทําของกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจที่สร้างความเศร้าหมองให้แก่ใจต้องคอยกาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนา เครื่องสักข้อจิตใจนี่เรียกว่าจิตตภาวนามีแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกเรียกว่าส ม, มะถะภาวนาทำจิตใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขให้กิเลสตัณหาหยุดการทำงานเชื่อข่าวเรียกว่าเป็นสมาธินั่งสมาธิกันแล้วพอออกจากสมาธิมาก็คอยกำจัดกิเลสตัณหา ด้วยปัญญาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาอาจจะได้อาจจะมีความสุขเวลาที่ได้ของที่เราอยากได้มาแต่พอของที่เราได้มาจากเราไปเราก็จะเศร้าโศกเสียใจกันเพราะไม่มีอะไรยั่งยืนถาวร ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดได้ได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งเขาก็อาจจะต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมานี่คือปัญญาให้มองเห็นทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตก็คือไม่ใช่ของเราเป็นสมบัติชั่วคราวเราไม่สามารถเอาไว้เก็บไว้เป็นของเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้ ให้เขาให้ความสุขกับเราไปได้ตลอด mm hmm. วันใดวันหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งเขาก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็ได้ mm hmm. อ น, นี่คือการปฏิบัติทำสามขั้นด้วยกัน mm hmm. คือเราต้องละการกับทำบาปทั้งปวง mm hmm. สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพงสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ mm hmm. ด้วยการ รักษาศีลด้วยการทำบุญทำทานด้วยการภาวนาจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าเราทำได้ครบหมดครบร้อยครบท้วนบริบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอพอเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะ เอาความรู้ที่เราได้จากการศึกษาจากการปฏิบัตินี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นต่อไปนี่คือขั้นที่สี่ขั้นแรกให้ศึกษ า, าทำตามคาสอนเมื่อได้ศึกษาแล้วก็เอาธรรมะที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลเรียวกว่าปฏิเวทเมื่อได้ปฏิเวศแล้วคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงแล้ว ก็เอาความรู้นี้เอาการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ไปสอนผู้อื่นต่อไปแต่จะเลือกสอนแต่ผู้ที่อยากจะรู้เท่านั้นอยากจะหลุดพ้นเท่านั้นผู้ที่เขาไม่สนใจก็จะไม่เสียเวลา mm hmm. เหมือนกับมีการเปรียบเทียบว่าเวลาเ ท, เทน้ำใส่หลังสุนัขนี่สุนัขมันไม่ต้องการน้าหรอก ไปเท่าไหร่มันก็จะสะบัดทิ้งไม่หมดเอาธรรมะไปสอนคนที่ไม่สนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเอาไปสอนเขาก็เสียเวลา เ, าเปล่าๆเสียเวลาทั้งของเขาและเสียเวลาทั้งของเราพระพุทธเจ้านี้รู้จักจำแนกแยกสัตว์รู้จักผู้ที่ต้องการจะฟังธรรมนี่มีกี่จาพวกพวกที่ไม่ต้องการฟังธรรมไม่ต้องการปฏิบัติธรรมมี มีจำพวกไหนบ้างต้องแยกไว้เป็นบัวสีเหล่าพวกแรกนี้เป็นพวกที่มีความยินดีอย่างที่สุดคือพวกที่เป็นนักบวชแล้วพวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วพวกนี้ติดขัดอยู่ตรงที่ปัญญาไม่เห็นอริยสัจ ส, สีไม่เห็นไตรลักษณ์พอนาเอาอริยสัจ ส, สีตไตรลักษณ์ไปสอนพวกที่หนึ่งนี่พวกที่บัวเหนือ น, าน้านี่บัวก็จะบานขึ้นมา ใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมเลยเพราะเขามีเครื่องมือพร้อมที่จะบรรลุอยู่แล้วขาดเพียงแต่ปัญญาขาดวิปัสนาภาวนามีศีลมีสมาธิคือมีสมรรถาภาวนาแต่ไม่มีวิปัสนาภาวนาเรสอนเรื่องวิปัสนาภาวนาเรื่องอริยสัจสี่เรื่องไตรลักษณ์เขาก็เข้าใจทันทีก็หลุดพ้นทันที เข้าใจว่าทุกข์เกิดจากความอยากความอยากเกิดจากความหลงที่ไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเท่า น, นั้นเองพอเห็นว่าสิ่งที่ไปอยากได้เป็นสุขมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสุขแต่เป็นทุกข์ก็เลิอกอยากพอเลิอกอยากความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปผลที่เกิดจากความอยากก็สิ้นไปคือการมาเกิดแก่เจ็บตายก็จะหมดไป เพราะการเกิดแก่เจ็บตายก็เกิดจากตัณหาความอยากที่อยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่องแต่พริสุทธิ์ราการมีร่างกายก็เป็นทุกข์และสิ่งที่ร่างกายหามาได้ก็เป็นทุกข์เพราะเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงได้มาแล้ววันหนึ่งก็ต้องพัดภาคจากกันไปก็เลยหยุดความอยากได้ พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็หมดไปอันนี่คือพวกแรกพวกบัวเหนือน้ําพวกที่สองนี้เป็นพวกพวกบวกัวปลิมน้ําำยังต้องรอให้มันโตขึ้นมาสักวันสองวันให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ําก่อนแล้วพอสัมผัสกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานขึ้นมาตรงนี้ก็เปรียบเหมือนกับพวกที่เป็นนักบวชมีศีลแต่ยังไม่ได้สมาธิ ต้องฝึกสมาธิให้จิตสงบเป็นเป็นสมาธิเป็นสมถะเป็นฌานขึ้นมาก่อนออพอฝึกสมาธิได้เป็นฌานได้ อ, อแล้วก็พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมคือปัญญาได้ออตรงนี้พระเจ้าก็ต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลาสอนใการเจริญสติการนั่งสมาธิออไม่ต้องสอนเรื่องศีลเพราะศีลเขามีอยู่แล้ว สอนแต่เรื่องการเจริญสติการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดเป็นฌานขึ้นมาให้เกิดมีิวเบคาขึ้นมาให้เกิดความสุขขึ้นมาเมื่อใจที่มีความสุขมีความสงบมีฌานมิวเบคาพอสอนให้รู้เรื่องปัญญาก็สามารถปล่อยวางความอยากได้หยุดความอยากได้ตรงนี้เป็นพวกที่สองที่จะไปทรงไปโปรด จะมุ่งไปโปรดพวกแรกก่อนเอาพวกนี้ไม่ต้องใช้เวลามากเพียงแสดงทำครั้งสองครั้งเขาก็บรรลุกันได้นะแล้วพอเขาบรรลุแล้วเขาก็จะได้ไปช่วยทำหน้าที่เอาเอาความรู้ที่เขาได้หลุดพ้นนี้ไปสอนผู้อื่นต่อไปอีกอย่างพรทธเจ้าจึงเรียกคนสอนคนฉลาดก่อนคนที่จะรู้เร็วปฏิบัติเร็วรู้เร็วฟังทำปั๊บก็บรรลุได้เลย พอพวกนี้หมดแล้วก็ไปสอนพวกที่ยังไม่มีสมาธิเป็นพวกนักบวชแต่ได้แต่รักษาศีลยังไม่รู้จักวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องก็ไปสอนวิธีนั่งสมาธิพอก็นั่งสมาธิได้ชาญแล้วก็สอนเรื่องปัญญาพวกที่สาม น, นี้เราเรียวกว่า บ, บวกก่างน้ำต้องใช้เวลาหลายวันด้วยกันะะวกว่าจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ นี่คือบวสามเหล่าที่พระพุทธเจ้าจะสองส่งสอนแล้วก็ไปส่งสอนพวกที่เป็นกลวาฏญาติอยู่ด้วยที่มีศรัทธาในเรื่องการทำบุญมีเรื่องการรักษาศีลตายังภาวนาไม่เป็นก็สอนเรื่องวิธีภาวนาเมื่อกี้นี้อาจจะพูดผิดไป พวกปิมน้ำก็พวกพวกนักบวชที่มีสมาธิแต่ไม่มีศีลแต่ไม่มีสมาธิกลุ่มที่สามนี้เป็นพวกบัวกลางน้ำนี่เป็นพวกคารวะผู้ที่พยายามที่จะรักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างฝึกสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างพวนี้ก็จะสอนเรื่องทาบุญทาทานเรื่องรักษาศีลลับเว้นการกระทาบาปให้เขาสร้าง คุณธรรมอินทรีย์ขึ้นมาให้เขาเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขึ้นมาตามลำดับจนพอถึงเวลาพอเขาเข้าสมาพอเขารักษาศีลได้เขาก็อยากจะไปบวชเป็นนักบวชต่อไปปัญญาได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิได้ได้เพิ่มขึ้นได้มากขึ้นพอไ ด, ได้สมาธิแล้วก็สอนทางปัญญาพอได้ปัญญาเขาก็จะ หลุดพ้นได้โผล่ขึ้นมาเหนือน้าได้ส่วนพวกบัวเหล่าที่สีนี้มันพวกที่ยังอยู่ในโขดตนอยู่ในอยู่ก้นบ่ออยู่ซึ่งมักจะโอกาสที่จะโผล่ให้เจริญโตเติบโ ต, ต, ต, ต, ต, ตขึ้นมาได้มีน้อยมากส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปอันนี้เรียกว่าบัวบัวที่ติดกับโคลนตม โอกาสที่จะโผลขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้านี่ยากมากพวกนี้พระเจ้า ก, ก็ไม่สอนเจะเป็นพวกที่ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องการละกิเลสตัณหา<ม>เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์พวกนี้เขาจะเชื่อแต่เรื่องลาบยศสารเสริญสุขกันชีวิตของเขานี้จะมุ่งไปหาความสุขจากการได้ลาบยศสารเสริญสุขอย่างเดียว เขาไม่สนใจเนื่องจะมาต้องมาทําบุญมารักษาศีลให้เสียเวลาเพราะเขาไม่เห็นว่ามันทําให้ร่ํารวยขึ้นมาได้แต่อย่างไรไม่ได้ทําให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้อย่างไรดีไม่ดีการรักษาศีลเนี่ยจะขัดขวางการทําให้เขาร่ํารวยก็ได้หรือทําเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาก็ได้เพราะคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนี้มักจะไม่ทําสิ่งที่ผิดก็จะรวยช้าหรือรวยยากกว่าพวกที่ทําสิ่งที่ผิด ถ้าพวกนี้ไปสอนเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการรักษาศีลเรื่องภาวนาเนี้เขาก็จะไม่สนใจก็ไม่สอนพวกนี้ไปนี่คือการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปหลังจากที่ได้ทำประโยชน์ของตนได้สาเร็จแล้วอาวุฒิเจ้าเบื้องต้นทำประโยชน์ของพระองค์ก่อนโดยการบำเพ็ญปฏิบัติออกบวชแล้วก็ไปบาเพ็ญรักษาศีลไปฝึกสมาธิ พอได้สมาที่แล้วนี่ก็ไปทางปัญญาปัญญาไม่มีใครรู้ก็เลยต้องไปค้นคว้าหาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงค้นพบอริยสัจสี่ค้นพบใจลักเออก็เลยทําให้จิตของท่านละความอยากทั้งหลายได้หมดสิ้ไปพอไม่มีความอยากในใจความทุกข์ก็จะไม่เกิดอีกต่อไปหลังจากนั้นพระองค์ก็ มาเผยแผ่ธรรมะคำสั่งคำสอนมนุษยธรรมในวันเพ็ญเดือนหก<ม>วันวิสาขบาูชาหลังจากนั้นอีกสองเดือนองทรงใช้เวลาไต่ตองพิจารณ า, าหาเหตุหาผลต่างๆเริ่งต้นก็คิดว่าไม่อยากจะสอนเหนื่อยกว่าเปล่าพอเไล้คิดอย่างรอบคอบว่าคนเรานี่มีอยู่หลายจำพวกด้วยกันไม่เหมือนกันหมด ไม่ใช่เป็นพวกบัวใต้น้ำบัวที่อยู่กับคนตมเพียงอย่างเดียวพวกที่เป็นบัวกลางน้ำก็มีพวกที่เป็นบัวปลิ่มน้ำก็มีพวกที่บัวเหนือน้ำก็มีเพ ก, ก็เลยทรงตัดสินพระทยัยยามไปสอนพวกที่เป็นบัวเหนือน้ำก่อนแล้วก็ไปสอนพวกบัวที่เป็นปลิ่มน้ำแล้วก็บัวกลางกลางน้ำตามลำดับไปจิงประกอมีผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์เป็นจานวนมาก มาในแต่ละยุคในแต่ละสมัยจนถึงบัดนี้ก็เพราะว่าชาวพุทธนี้มีความเชื่อฟังคำสั่งคำสอนทำงานสองอย่างนี้เบื้องต้นก็ทำงานให้ตนได้หลุดพ้นก่อนพอตอนหลุดพ้นเป็นพระอรหันหตสาวกแล้วก็ไปทำหน้าที่สั่งสอนพูด อ, อีกท่านหนึ่งแต่จะไม่ไปสั่งสอนก่อน ต้องให้หลุดพ้นก่อนแล้วค่อยไปสั่งสอนได้ถ้าไปสั่งสอนตอนที่ยังไม่หลุดพน้นนี้จะเป็นพิษเป็นภัยกับตนเองด้วยเพราะตนเองจะไม่มีเวลาให้กับการปฏิบัติเท่าที่ควรมัวแต่ไปสั่งสอนคนอื่นและเวลาสั่งสอนคนอื่นก็สั่งสอนแบบไม่ถึงไม่ถึงเหตุถึงผลคนอื่นนํามาไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะคนสอนยังไม่รู้จักวิธีที่จะ ห, หลุดพ้นจากความทุกข์ว่าทำอย่างไร เราจะไปสอนคนอื่นให้หลุดพ้นจากความโชคได้อย่างไรพระพุทธเจ้าก็พระผู้ที่ยังไม่เป็นพระหลานนี้จึงไม่ไม่ไม่ไปยุ่งกับใครในเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมแต่อาจจะให้คําแนะนําสําหรับคนบางคนได้อยู่พวกปฏิบัติธรรมด้วยกันใครมีความสงสัยอะไรอยากจะถามท่านก็จะบอกเท่าที่ท่านรู้เท่านั้นเองอ่นไม่พูดในสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ยังไม่เห็น <c oughs> แต่าจะไม่มาตั้ง ตั้งตัวเป็นอาจารย์ทํางานเผยแผ่ทำเพียงอย่างเดียวเป้าหมายหลักก็ยังอยู่ที่การทําประโยชน์ของตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนพอหลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้แล้วทีนี้งานของตนเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องทํางานของตนแล้วประโยชน์ของตนได้สําเร็จแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วทีนี้เวลาที่เหลืออยู่นี้ก็จะเอาไปสอนคนอื่นได้อย่างเต็มที่และสอนได้อย่างถูกต้อง สอนอย่างถึงเหตุถึงผลผูฟังนำมาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันยิงปรากฏมีผ้าอนันตสาวกมีปรากฏขึ้นมาในโลกนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเองเพราะว่าชาวพุทธเราทำหน้าที่ทั้งสองหน้าที่ตามที่พระเจ้าได้ทรงสั่งไว้ก่อนที่จะจากโลกนี้ไป ทำให้พระพุทธศาสนาของพวกเหล่านี้ยังอยู่มาได้จนถึงบัดนี้ <c oughs> ถ้าไม่มีการกระทำตามคำสอนไม่มีการบรรลุธรรมก่อนแล้วไปสอนผู้อื่นถ้าถ้าไม่มีทําแบบนี้ศาสนาก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้เพราะถ้าไม่มีผู้ที่หลุดพ้นมาสอนผู้อื่นที่จะมาเรียนก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้และผู้ที่สอนไม่ได้หลุดพ้น เราจะไปสอนให้ผู้ก็หลุดพ้นได้อย่างไรพอพูดไม่สามารถหลุดพ้นได้ความศรัท ธ, ธาเริ่มใสในพระธรรมคำสอนก็จะเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วน้นที่สุดก็อาจจะหายไปหมดไปได้แต่ถ้าดาบใดยังมีการบรรลุธรรมอยู่มีการศึกษาปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมอยู่เป็นพระอาหานกันอยู่แล้วหลังจากนั้นมีการเอาความรู้ที่ไดจากการปฏิบัติมาเผยแผ่ ก็จะสามารถสอนให้คนอื่นบรรลุปเป็นผ้าหลานได้เช่นเดียวกันก็จะทําทให้ศาสนาเป็นศาสนาที่น่าเลื่อมใสน่าศรัท ธ, ธาเพราะสามารถตอบโจทย์ของผู้ผู้ผู้เข้าหาพระศาสนาได้ก็คือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ันนี้แหละคือวิธีที่เราจะมาทําประโยชน์ให้กับตัวเราก่อนแล้วทําประโยชน์ให้กับผู้เท่ากับทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาไปในตัว ทำใหพระพุทธศาสน า, านี้มีพระอาหารหันต์มาเกิดในทุกยุคทุกสมัยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้แล้วสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้กับยุคต่อไปได้ไปเรื่อยๆอซึ่งอาจจะลดน้อยถอยลงไปตามการตามเวลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครยับยั้งได้แม้แต่คําสอนของพระเจ้าก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่อยู่ไม่เกินห้าพันปีก็คงจะหมดคงยังไม่มีใครที่จะมาสนใจศึกษาปฏิบัติต่อไปแต่ะนั้นโลกก็จะหายขาดว่างจากพระพุทธศาสนาไปจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาตัดสรุมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สา ร, รโลกอีกรอบหนึ่งนี่แหละคือเรื่องของหน้าที่เรือ ง, งานที่พพุทเจ้าสงมอบให้กับพวกเราทาไว ให้รีบทำเสียบัดนี้อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปถึงแปดสิบเก้าสิบปีถ้าเราคิดอย่างนี้เราทุกวันเราก็จะไม่ปฏิบัติกันไม่ศึกษากันแล้วพวกนี้เราก็จะคิดแบบนี้มน่ืนนี้เราก็จะคิดแบบนี้ไปเรื่อยแต่ถ้าเราคิดอีกแบบหนึ่งคิดว่าพวกนี้เราอาจจะไม่อยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตว่าจะเป็นจะตายหรือไ ม, ไม่อย่างไรถ้าคิดอย่างนี้ตอนนี้มีเวลาให้รีบปฏิบัติเถยดอย่างน้อย ก็เริ่มต้นที่วันพระนี่แหละอย่างน้อยที่หนึ่งก็หยุดทำงานทำการหาหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงทองมาทำหน้าที่ที่พระเจ้าส่งมอบหมายว่าให้ดีกว่าถ้าได้เริ่มทำเน้วมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสามารถรักษาศีลได้มากขึ้นทำบุญได้มากขึ้นภาวนาได้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วเดี๋ยวก็สามารถทำได้เต็มร้อยพอทาได้เต็มร้อยแล้วก็จะได้ผลเต็มร้อย จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วหลังจากนั้นก็สามารถนำาเอาความรู้นี้ไปเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้อื่นได้อีกต่อไป <Yeah. S 1> นี่ก็คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านสำหรับวันนี้ซึ่งก็หมดเวลาที่ได้กำหนดไว้คือประมาณสามสิบนาทีแล้วก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้และในลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันได้ <Yeah. S 1> เรียนรู้วิธีนั่งสมาธิแล้ว รู้ว่าการนั่งสมาธินี้เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ตอนนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันวิธีนั่งสมาธิเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อทําให้ใจนิ่งสงบไม่ให้ใจคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดเรื่องอะไรเพราะถ้าใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ใจก็จะนิ่งไม่ได้<ม>แล้วเมื่อใจไม่นิ่งใจจะไม่สงบไม่มีความสุขไม่มีกําลังที่จะไปต่อสู้กับ ความอยากต่างๆที่เรตตันหาได้เราจรึงต้องมาทําใจให้นิ่งให้สงบเพราะเมื่อใจวินิ่งใจสงบแล้วพอเราได้เรียนรู้ทางปัญญาว่าความอยากเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็หยุดความอยากได้ ท, ทันทีเวลาอยากได้อะไรก็ฝืนไม่เอาเวลาอยากทําอะไรก็ไม่เอาแวลาอยากจะดูใจะจะกินอะไรก็ไม่เอาไม่ทําตามอันนี้ต้องมีสมาธิเป็น ผู้ให้กำลังแก่ใจที่จะต่อสู้กับความอยากปัญญาเป็นผู้บอกให้เรารู้ว่าควรจะหยุดอะไรสิ่งที่ควรจะหยุดก็คือกิเลสตัณหาเนี่ยเอง mm hmm. อวิธีนั่งที่ทำให้ใจให้นิ่งให้หยุดคิดก็ต้องมีสติและเลอกรู้อยู่กับอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้สงบให้นิ่งอารมณ์ mm hmm. ที่จะกล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี่ก็มีหลายชนิดด้วยกัน ที่เราทํากันที่เราใช้กันก็มีอยู่สองสามชนิดด้วยกันคือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธนี่เรียกว่าพุทธานุสติเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่ง mm hmm. ถ้าเราใช้พุโทโธก็ให้มีสติรู้อยู่กับพุโทโธนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปภายในใจอย่าหยุดพุดโทโธจนกว่าจิตจะเน่งสงบถ้ายังไม่เน่งสงบก็ต้องพุโทโธไปเรื่อย mm hmm. ๆถ้าเราจะใช้กรรมฐานอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอานาปนาสติ มีสติแล้วเริมรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจแล้วก็เข้าดูที่จุดสองจุดจุดใดจุดหนึ่งดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้า อ, อกหน้าท้องก็ได้เวลาดูที่หน้าท้อง ม, มันก็จะบอกเราว่าเวลาลมเข้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกท้องก็จะยุบลงไปตอนจึงมีการเรียกว่ายุบหนอพองหนอะมีการดูลมถ้าเราดูที่ปลายจมูกก็ให้รู้ว่ากําลังเข้ากําลังออ อ, งมม อ, งมมออกไไมมมมมม่่ตตตต้้้งงาาาเขออก ลมจะสั้นจะยาวก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปบังคับให้รู้เฉยๆลมหายไปก็ให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบได้เป้าหมายคือให้ใจนิ่งสงบไม่ให้ไปสนใจกับอะไรให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถ้าเราไปสนใจกับอะไรที่มันปรากฏเราก็จะไม่ทำให้ใจนิ่งได้ถ้านั่งไปแล้วมีแสงมีเสียงอะไรเข้ามาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจ มีความรู้สึกเจ็บตรงนั้นคันตรงนี้เขาไม่ต้องไปสนใจมีอะไรก็ตามที่เข้ามาแทรกในขณะที่เรานั่งทำสมาธิอยู่อย่าไปสนใจทั้งหมดให้ผูกใจให้อยู่กับกรรมฐานเพียงอย่างเดียวถอาใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าใช้ลมก็อยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเน่งสงบเข้าสมาธิได้อย่างแน่นอนต่อไปนี้เราก็จะมานั่งกันประมาณสาสิบหนาทีด้วยกัน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 อนนานั่งแล้ยังไม่สงบก็แสดงว่าสติยังมีไม่มากพอควรคจะเจริญสติให้มากก่อนที่จะมานั่งเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเรื่องที่ต้องให้คิดก็อยู่กับพุโทโธไปแล้ว เ, เดี๋ยวใจก็จะมีสติมากขึ้นพอมานั่งสมาธิใหม่ก็จะสงบได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะปุราภะลิภุริเณติสากลังเอวเมวะอิโต้ทินังเปตางนังอุปกาปติอิจิตังปิจิตังคุณังคิดเมวาสมิจัตสัพเพภุริเณตุสังขปาจันโทปนะระโสยะถามลิโชติ อะระโสยะธาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวัตนาสีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวัตันเตอายุวันโอสุขัง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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไรกราบเรียนครับอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กอาจารย์สุชาติ222่งท่านทางย u ทูบอาจารย์สุชาติ263ท่านทาง y o u t u ดรวี41ท่านทางวิทยุออนไลน์9ท่านทางครับเฮาส์ 6ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยยี่สิบห้าท่านรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบหกท่านครับนี่เลขดีนะสามหกเนี่ยว่าวาา่าเาค่มีคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์เจ้าว่าถามมาว่าศีลเกิดจากใจใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราพูดเอาเอง อสินต้องรู้ว่าเราต้องมีเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นมีใครเข้ามาชวนเราไปทําบาปแล้วเราปฏิเสธเขาไปเช่นเพื่อนมาชวนให้ไปกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วเราไม่กินเหล้าเราก็บอกเขาไปว่าเราไม่กินเหล้าแต่ถ้าเราเกคงใจเขาไปก็ไปกินให้เขาท่าหน่อยอยันนี้ก็ยังไม่ไยังรักษาศีลไม่ได้จะรู้ต่อเมื่อเวลามีเหตุการณ์เราดูซิว่าเราจะทําตามที่เราตั้งใจไว้เลยอไม่คือไม่ทําบาป เช้าค่ะคุณพูลสีถามเข้ามาทาง f a c e b o o k ้ะค่ะว่ากล่าบนรมัสการเรียนถามค่ะถ้าเราลองฝึกสมาธิแล้วจิตสว่างร่างกายไม่หลับตลอดคืนเช้ามาเราควรทำอย่างไรคะกล่าบขอบพระคุณค่ะก <t ans> ็มีทุราหน้าที่อะไรก็ไปทำต่อถ้าไม่มีก็นั่งสมาธิต่อเดินโยมต่อไปเดี๋ยวมันก็เมื่อยมันก็อยากจะนอนก็พักได้ ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นไปได้ก็คนปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนได้ยิ่งดียกเว้นเวลาหลับแล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าเราปฏิบัติแบบชะงักหยุดไปแล้วไปทำอย่างอื่นอีกแล้วค่อยกลับมาทำอีกอย่างนี้มันจะ ไปได้ช้ากว่าเพรเหมือนขับรถนะ่ะเดินทางโดยรถยนต์ถ้าเราเดินทางไปเจอสี่แยกไฟแดงเจอด่านตรวจเจออะไรต่างๆที่ต้องจอดมันก็จะเสียเวลาถ้าเราขึ้นทางด่วนได้เราก็วิ่งได้ตลอดนักปฏิบัติควรจะปฏิบัติแบบขับรถขึ้นทาง ด, วด่วนวิธีขึ้นทางด่วนของนักปฏิบัติก็คือไปบวชบวชแล้วไปอยู่ตามสำนักปฏิบัติธรรม อย่าไปอยู่ตามวัดที่เขามีกิจกรรมอย่างอื่นถ้ามีกิจกรรมอ ย, าอย่างอื่นเช่นนิมนต์งานบุญสังส่วนนี่มันก็จะไม่ใช่เป็นกิจกรรมของการภาวานาะมันก็จะทําให้ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาะเพราะถ้าเราไปอยู่วัดที่เขาทําอย่างนี้แล้วเราไม่ทําอย่างนี้มันก็อยู่กับเขาไม่ได้เราต้องไปอยู่ที่วัดที่เขามีแต่ปฏิบัติทัท้งวันทั้งคืนวัดป่าสายหลวงปู่มั่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีงานอ ย, าอย่างอื่นต้องทํา หลังจากบินธาบาเสร็จชันเสร็จก็กลับปุติเดินโยงคลมนั่งสมาธิบ่ายก็เอามาปัดกวาดทําความสะอาดศาลาเรื่อยต่างๆเสร็จก็ไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จก็เดินจงคลมนั่งสมาธิไปจนนั่งถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มก็พักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็เริ่มภาวนาใหม่จนถึงเวลาไปบินธบาตถ้าปฏิบัติแบบนี้ได้แล้วผลมันจะปรากฏขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว เจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอย่างแน่นอนเจ้าค่ะจากทาง YouTube ว่าการรักษาจิตในขณะอยู่ในโลกธรรมแปดต้องทำอย่างไรให้สงบครับก็ต้องมีสติมีสมาธิเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีเครื่องมือทำจิตให้สงบพอเราไปสัมผัสกับโลกธรรมใจเราก็จะขึ้นขึ้ น, นลงลงตามมัน ถ้ามันเจริญเราก็เจริญไปกับมันดีใจไปกับมัน <ะ S 1> เวลามันเสื่อมก็เศร้าโศกเสียใจไปกับมันมแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิ<ม>ล้วก็ทาใจให้เฉยได้ขึ้นก็รู้เดี๋ยวก็ต้องลงลงกล็รู้เดี๋ยวมันต้องขึ้นเราห้ามมันไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้เราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์<ม>เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา<ม>ถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมันไม่ไปดีใจเสียใจกับมันเราก็ไม่ทุกกับมัน เจ้าค่ะจากทาง youtube ค่ะกราบเรียนพระอาจารย์ครับคนที่จ่ายเงินใต้โต๊ะจะบาปไหมครับถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้งานครับก็มองได้สองรูปแบบถ้าทางโลกเขาก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมค่าใช้จ่ายก็ต้องจ่ายแต่คนที่บาปก็คือคนที่เรียกคนที่จ่ายไม่ไ ม, ไม่ไม่บาปเลยเพราะว่ามันจําเป็นเหมือนับถ้าจะต้องการงานนี้ ต้องการให้ทำอะไรเขาก็ต้องเรียกค่าค่าใช้จ่ายพิเศษถ mm hmm. ือว่าเราจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายพิเศษไปแต่เราอย่าไปจ่ายให้เขาแล้วสั่งให้เขาทำให้เราอย่างนี้บาปแต่ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเขาเขาสั่งเขาเองเขามาสั่งเราเ mm hmm. <laughs> งนี้เราเราให้เขาไปเราก็ไม่บาปเดี๋ยวมีน้องเอกเาอยากจะถามคำถามน นวัตสการค่ะหลวงพ่อเอขออนุ ญ, ญาตนะคะตอนนี้พ่อหนูป่วยใช่ไหมคะแรกๆมันก็เริ่มร่างกายก็เริ่มซุดๆดลงมาเรื่อยๆตามลําดับจากเคยอ่านหนังสือธรรมะได้สองสามวันนี้ก็อ่านไม่ได้แล้วมีความเจ็บปวดท ร, รมานพิบขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เอเห็นพ่อวันนี้ตรงกับที่หลวงพ่อเทศก็คือวันนี้หนูมาฟังเทศแล้วสิ่งที่หลวงพ่อให้นั่งสมาธิทุกๆวันหรือเคยที่ทำอย่างนี้คือเป็นข้อสอบปลายภาคใช่หรือไม่เจ้าคะ่ะ ใช่เป็นทั้งข้อสอบของเราทั้งของพ่อเราด้วยถ้าพ่อเรานั่งสมาธิเราก็จิตสงบก็จะไม่ทุกข์กับการเจ็บปวดของร่างกายเรามีสมาธิใจเราเนิ่งเราก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของคนของพ่อหรือของเราเอง<ะ>เน้นการนั่งสมาธินี่มีคุณมีประโยชน์มากสาธเจ้าค่ะหลวงพ่ออืเราทําอะไรไม่ได้ร่างกายมันเป็นอนัตตาถึงเวลามันจะเจ็บ มันก็เจ็บถึงเวลามันจะตายมันก็ต้องตายไปเราทำอะไรได้ก็ทำไปเลี้ยงข้าวได้ก็เลี้ยงไปให้น้ำได้ก็ให้ไปอาบน้ำได้หรือทำอะไรได้ก็ทาให้เขาไปเท่านั้นเองแต่ทำให้ร่างกายมันดีขึ้นไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามความเป็นจริงของมันสาธุเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อที่เมตตาคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะ มีคำถามว่าระหว่างนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธสลับดูลมระหว่างปฏิบัติขณะพุทโธพุทโธจิตจะมีการส่งออกนอกพอนึกขึ้นได้หยุดและเหลือแต่บริกรรมพุทโธควรแก้ไขอย่างไรคะก็อยู่กับพุทโธไปอย่างเดียวพอจิตเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับเข้ามาสาเหตุที่จิตมันไปบ่อยก็เพราะสติเรามีกาลังน้อยเราต้องฝึกสติเจริญสติให้มากก่อนที่เรามานั่ง เราควรจะจดสติระหว่างวันทั้งวันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธพุโทโธไปคอยดึงใจเอาไว้แล้วเวลามันนั่งสมาธิมันก็จะไม่ค่อยไปชาวค่ะจากทางยู u ูบสัสคะกราบเรียนถามครับเอกคัตาเกี่ยวกับวิปัสสนาอย่างไรครับเอกคัตตาแปลว่าหนึ่งใจเป็นหนึ่ง แต่เวลารวมรวมปเป็นหนึ่งเรียกเป็นสมาธินี้เรียกใจใจที่เคยกระจายไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆเมื่อมันมันก็รวมเข้ามาหยุดความคิดปรุงแต่งมันก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวนะเรียกว่าเอกขัตตาเจ้าค่ะมีคำถามจากญาติธรรมประเทศลาวค่ะถามเข้ามาว่าน้อมนมันสศการกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ เวลาทำความสะอาดบ้านแล้วได้ปัดอยกักายแมงมุมจะบาปใหม่เจ้าคะกราบขอบพระคุณหนวงพ่อเจ้าค่ะก็ถ้าไม่ทาให้ตัวแมงมุมตายก็ไม่บาปมันก็ต้องระวังถ้ามีอยากใยแล้วก็ต้องขียมันออกแบบเบเาๆหน่อยเราทำความสะอาดได้แต่เราทำให้มันตายไม่ได้จากคุณทีคทัทนาถามเข้ามาว่าถ้าเรารู้กิเลสของตัวเองว่าเจอเรื่องอะไรอยู่แล้วเห็นว่า สัญญาอาวิชชาปรุงแต่งมาจากเหตุถ้าเราดับที่เหตุก็เท่ากับว่าเราดับอวิชชาได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะน้อมกับในความเมตตายอย่างสูงนเจ้าคะ่ะมันไม่ใช่ที่เหตุมาจากอาวิชชาเหตุก็คือความอยากของเราเวลาเรามีปัญหาอะไรกระทำ ใ, ใจเราเครียดเราทุกมันเครียดเพราะความอยากของเราเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราเครียดด้วยมันเป็นอนิจจังทุกขงังกน้าตา พอเรเห็นมันเป็นอหน้าตาเราห้ามันไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เราก็หยุดความอยากของเราพอเราหยุดความอยากของเราได้ปัญหาหรือความทุกข์ก็หายไปอวิชาก็กลายเป็นธรรมะอวิชาก็กลายเป็นปัญญาขึ้นมาเห็นตายแล้วก็เป็นอวิเป็นปัญญาไม่เห็นตายแล้วก็เป็นอวิชาเจ้าก็ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะอื เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ใครกำลังพิมพ์ข้อความเข้ามาอยู่ใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะอันนี้ถามได้เต็มที่เลยเดี๋ยวพอว่งเลิกแล้วให้กลับบ้านนะแล้วก็ขออภัยจริงเพราะมันไม่สะดวกเพราะเสียงเราพูดไม่ดังต้องอาศัยเสียงมวยแล้วตอนนั้นก็มีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรหลายอย่างด้วยกันทําให้การทนทนาธรรมไม่ไม่มีรสมีชาติการสนทนาธรรมด้วยการฟังธรรมนี้ต้องอยู่ในสภาพที่นิ่ง กายวาจาใจนิ่งแล้วมันก็จะได้รับธรรมะได้อย่างเต็มที่แต่ถ้ากายวาจาใจไม่นิ่งกายก็ทำนู่นทำนี่วาจาก็คุยกับคนนั้นคนนี้ใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังไม่รู้เรื่องธรรมะไม่มีช่องเข้าเลยเพราถูกกายวาจาใจปิดไม่หมดจาก youtube ค่ะพระอาจารย์เวลาบนสวรรค์กับพบมนุษย์ต่างกันใหม่ครับ ก็เหมือนตอนเรานอนหลับนะ่ะเรานอนหลับแล้วก็เข้าอยู่ในโลกของสวรรค์เลื่อนรกเราจะรู้สึกว่แป๊บเดียวอต่ที่ไหนได้แปดชั่วโมงผ่านไปแล้วไม่ต้องสนใจละเวลาสนใจว่ามันสุขหรือมันทุกข์ดีกว่าถ้ามันสุขจะมันจะสั้นจะยาวก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันทุกข์นี่เราต้องแก้นะทุกข์เพราะว่าเราทําบาปไว้มาก ทำบาปมากกว่าบุญเวลาเรานอนหลับเราจะฝันแต่เรื่องไม่ดีเวลาตายไปเราก็จะไปสู่วายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เรายังแก้ได้ถ้าบาปยังมากกว่าบุญเราก็ทำบุญให้มากลดบาบลงอย่าไปทำบาปแล้วเดี๋ยวไม่นานบุญเราก็มากกว่าบาป พ, พอบุญมากกว่าบาปล้วที่นอนหลับเราก็จะฝันดีตายไปล้วก็จะไปสวรรค์ได้แต่ถ้าเราตายไปแล้วเราแก้ไม่ได้นะั้นตอนนั้น ต้องไปรับผลแล้ววิบากเกิดขึ้นแล้วจะมาแก้ได้ก็ต่อเมื่อมาเกิดใหม่ในภพหน้าชาติหน้าอีกทีจากฟจ้าถามเขามาว่าจ้างคนมากาจัดปวกเราบาปไหมคะก็อยู่ที่เราพูดอย่างไรถ้าเราสั่งเขาให้ม า, านี่ก็บาปแต่ถ้าเราพูดเป็นอุบายเช่นเราเล่าให้เขาฟังว่าที่บ้านมีปลวกเรนจะทำอย่างไรดีถ้าเขาอาสาสมัครมาทำให้นี่เราก็ไม่บาป เราเราไม่ได้สั่งเขาเขาเป็นผู้ยินดีที่จะทำของเขาเองเขายินดีที่จะทำบาปแต่ถ้าเราไปสั่งเขาว่าช่วยมากาจัดปลวกให้หน่อยนะอย่างนี้บาปสั่งเขาก็ดีทำเองก็ดีเรียกว่าบาปดังนั้นแต่ถ้าไม่ได้สั่งเขาทำมาให้เราเองไม่บาปไปร้านขายอาหารมีปลาสดๆอยู่ในอ่างนี้ถ้าเราไม่สั่งว่าเอาปลาตัวนั้นตัวนี้นะแต่ถ้าเขา เขาจะเอ า, าปลาตัวไหนมาทําให้เราเนี่เราไม่ได้บาปเราไม่ได้ไปสั่งแต่ทางที่ดีถ้าเรารู้ว่าเป็นปลาสดจริงๆที่เขาจะเอามาฆ่ า, ามาทําให้เราแล้วก็บอกเอาถามเขาว่ามีปลาปลาที่ตายแล้วไหมเอาที่ปลาที่ตายแล้วอย่างนี้ไม่บาปกินของตายแล้วไม่บาปแต่กินของที่ยังไม่ตายแล้วเราทําให้มันตายเพื่อเราจะได้กินมันนี้บาปเธอาหะจากเฟซบุ o กสำหรภาวนาแล้วเห็นแสงสว่าง รู้สึกว่าตัวลอยๆต้องกำหนดรู้อย่างไรต่อไปอยู่กับกรรมฐานไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอาการอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปสนใจไม่ไม่การอาการหลอกลวงอาการมายาไม่มีคุณประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้จิตเรานิ่งสงบเกิดความสุขขึ้นมางั้นอย่าไปสนใจเห็นอะไรก็ดีรู้สึกอะไรก็ดีอย่าไปสนใจกลับมาที่พุทโธลึกกรรมะที่ลมหายใจ ทาง Facebook เจ้าค่ะบางครั้งลูกก็เถียงบางครั้งก็เชื่อฟังลูกจะชอบฟังคำชมมากกว่าคำสอนค่ะลูกจะใช้วิธีอย่างไรให้ลูกเชื่อฟังไม่เถียงคะเราต้องยอมรับว่าคนที่เขาสอนเรานี้เขารู้มากกว่าเราเราจะได้ไม่ไปเถียงเขาเช่นพ่อแม่เขาเกิดก่อนเราเรามีประสบการณ์อะไรหลายอย่างที่เรายังไม่ได้สัมผัส ร, รับรู้ด้วยถ้าเขาสอนอะไรบอกเราเราก็ควรจะเชื่อฟัง ถึงแม้ว่าถ้าเราไม่ไม่อยากจะเชื่อเราอยากจะเถียงก็ให้ระ ง, งับไว้ให้ฟังเฉยๆไว้อย่างน้อยก็ไม่เสียมารยาศ์แต่าถ้าเถียงออกไปนี้เป็นไม่ดีเป็นการไม่ดีที่ลูกเถียงกับนักเรียนเถียงครูบาอาจารย์นี่ไม่ดีพ่อแม่นี่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของลูกๆแต่ถ้าลูกๆไม่ชอบฟังก็ไม่เป็นไรก็เดินหนีไปหรือทําอะไรไปก็ได้แต่อย่าไปเถียงไว้ให้พ่อแม่เขาสั่ ง, ขงเขาสอนไปเพราะพ่อแม่เขาหวังดีกับเรา เร อ, อยากให้เราทำในสิ่งที่ดีที่งามที่จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายกับเรานั่นเองเจ้าค่ะจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะจิตยังยึดร่างกายสังขารต้องทําอย่างไรเจ้าข่ะก็ต้องพิจารณาร่างกายบ่อยๆว่าเป็นดินน้ํำลมไฟทํามาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปก็ละลายกลับกลืนสู่ดินน้ําลมไฟไปเหมือนไอติมเนะี่ยที่มันก่อนพูดร่างกายนี้ทําด้วยเหมือนไอติมเนะี่ยไอติมก็ทําด้วยน้ําด้วยนมใช่ไ พอมันเอามาจากตู้เย็นมาเจอความร้อนข้างนอกที้งไม่เดียวๆไอติมหายไปแล้วกลายเป็นน้ําไปแล้วร่างกายเราก็เหมือนกันก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟพอเวลามันตายไปมันก็ละลายไปดินก็น้ําก็แยกออกมลมก็แยกออกมาก่อนไฟก็แยกตามออกมาน้ําก็ตามมาแล้วใ น, นที่สุดก็เหลือแต่ ด, ดินเจ้าจากทางยูทูปพระอาจารย์ค่ะ ขอเียนถามเอกกคตาและอุเบกขาเกื้อหนุนพระนิพพานอย่างไรครับต้องมีเอกคตามีอุเบกขาถึงจะหยุดความอยากได้แล้วไปนิพพานได้ต้องกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปอยากใจถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้ดังั้นต้องมีอุเบกขามีเอกคตาแล้วพอรู้ว่าถ้าอยากจะไปนิพพานต้องกําจัดความอยากให้หมดสิ้นไปอยากใจ เราก็หยุดคเฟซบุ๊กเจ้าค่ะเผยแพ่ธรรมะเป็นธรรมทานได้บุญไหมครับได้แต่ต้องเป็นธรรมะที่เรารู้จริงเห็นจริงจะดีกว่าถ้าธรรมะที่เราไม่รู้จริงเห็นจริงไปเผยแผ่แทนที่จะเป็นบุญอจาจจะกลายเป็นบาป ก, ก็ได้แทนที่จะเอาของจริงของแท้ไปไ ป, ไปสอนเขากลับไปเอาเรื่องของปลอมของหลงงา่ายจะไปหลอกให้เขาหลงทางได้ ยิ่งถาเราจะเผยแผ่ธรรมะถ้าเราไม่ใช่มีธรรมะของเราเองเราก็ต้องเอาธรรมะที่แน่นอนคือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย <Yeah. S 1> คัดเอาคําสอนที่มีอยู่ในพระสูตรต่างๆถ้าจากถ้าเป็นธรรมะจากพระสูตรต่างๆก็ใช้ได้เราอย่าสอนเองถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมสาะหาจากทาง youtube ดกร์ค่ะกราบดํามัทสักการค่ะ วิจิกิจฉาคือความสงสัยลักษณะใดเจ้าคะก็สงสัยว่าพระพุทธรามพระสงค์มีจริงหรือไม่พระพุทธเจ้าตัดสินุจริงหรือไม่คำสอนพระพุทธเจ้าถ้านําไปปฏิบัติแล้วจะทำให้รบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้หรือไม่จ y o ย t u b e ช่องดรวีเจ้าคะ่ะกลาบนมัสการคะ่ะทุกในอริยสัจสี่ รู้แต่ละไม่ได้ควรทำอย่างไรเจ้าค่ะต้องไปสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนให้มีสมาธิมีอุบเบกขาแล้วก็จะละได้อันนี้จจิตไม่มีกำลังยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ